ในหลังเวลามีหมอมาสนทนาด้วยหลายคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาการเป็นหมอในช่วงหลังนี้มันมันลำบากขึ้นงานหนักขึ้นหรือว่า มีความมีความทุกข์มากขึ้นอเหตุผลใหญ่ๆก็คือว่าคนป่วยก็มีมากขึ้นอันนี้คนที่บน่นหรือคนที่ปารอบดวงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหมอในโรงพยาบาลของรัฐ แต่นอกจากคนป่วยเพิ่มขึ้นแล้วที่เป็นเรื่องใหญ่จะว่าใหญ่กว่าการที่มีคนไข้มากขึ้นก็คือเดีย๋ยวนี้คนไข้หลายคนก็มีการฟ้องหมอมากขึ้น ถ้าไม่ใช่คนไข้ก็เป็นญาติหมอก็เลยมีความวิตกกังวลคนคนที่บน่นคนที่พูดก็ยังไม่เคยโดนฟ้องนะแต่ว่าก็ได้ฟังข่าวคราวที่จริงถ้าพูดถึง โอกาสหรือว่าสถิติในการถูกฟ้องนี่น่าจะน้อยกว่านะอันนี้ความเป็นส่วนตัวน่าจะน้อยกว่าการประสบอุบัติเหตุนะบนท้องถนนหมอที่มีโอกาสถูกฟ้องเนี่ยนะโอกาสที่ว่านี้ที่ว่าน้อยกว่า ขับรถแล้วก็จะอุบัติเหตุในทวันะนี้เราก็มีได้ยินในฟังข่าวอุบัติเหตุบนะนท้องถนนมากมายแต่คนก็ยังก็ยังขับรถมันมากขึ้นไอ้ที่ขับอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้หวาดกลัวน้อยลงหรือว่า คิดจะเลิกขับรถเลยก็ยังขับกันอยู่แล้วก็อาจจะใช้เวลาในการขับรถมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือมากขึ้นเรื่อยๆแต่หมอท้าที่ฟังดูก็เรียกว่าพอเจอ ข, ข่าวนะคนไข้ฟ้องหมอมากขึ้นเนี่ยตางที่เปอร์เซ็นต แนะค่วันน้อยก ว, กว่าการประสบอุบัติเหตนะุในการขับรถเกินแต่ว่าหมอเรียกว่าจำนวนมากเลยนะก็อยากจะเลิกเป็นหมอนะอยากจะเลิกเป็นหมออันนี้ก็น่าคิดนะคนขับรถทุกวันนี้ไอ้ที่คิดอยากจะขับน้อยลงก็ก็มีน้อยมากทเท่าที่อุบัติเหตุก็ เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีข่าววันหนึ่งก็เยอะแยะแต่หมอนี่กับตั้งที่เปอร์เซนต์การถูกฟ้องนี่มีน้อยกว่าแต่ว่าอยากจะเลิกการเป็นหมอหรือว่ามีความทอ้อแท้มีความหนักหนักใจในการเป็นหมอมากขึ้นซึ่งเท่าที่รู้ในคนขับรถเนี่ยไอ้ที่ทอ้อแท้ในการขับรถก็ก็ไม่น่าจะมีนะ ก็เพียงแต่แค่ระมัดระวังตัวแต่ไม่ถึงกับว่าทอแท้แล้วไม่อยากขับแนละ้วอุบัติเหตุมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็รถคว่มเดี๋ยวก็รถชนกันคนที่ขับรถมัก็ไม่เคยมีใครมาบ่นอย่างนี้นะแต่หมอนี่บ่นกันพูดกันมากบางคนก็ย้ายเลยนะย้ายไม่ให้ย้ายลงอ ย, นะยาบาลนะย้าย ย้ายงานอย่างเพื่อนคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก่อนเป็นหมอกระดูกตอนหลังเขาก็ย้ายไปทำงานบริหารแทนก็ไปเอาดีทางนั้นจนถ้าเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ต้องอุตสาห์ไปร่ำไปเรียนนะเรื่องวิชาการบริหาร เพราะว่าส่วๆเป็นหมอนี่มันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเห็นใครต่อใครถูกฟอ้องก็เลยเพ่นดีกว่าอย่างที่บอกนะคนขับรถทั้งที่รู้ว่ามีอุบัติเหตุเยอะก็ไม่มีใครเลิกขับรถก็ยังขับอยู่อันนี้จะเรียกว่า มันมีปฏิกิริยาคนเรามีปฏิกิริยาแบบโอเวอร์เรีแอคชั่นหรือเปล่านะอันนี้แต่มันเป็นสื่อที่เป็นสื่อที่เกิดขึ้นในวงการหมอมากขึ้นถามว่าทำไมทำไมเดีย๋ยวนี้มันมีข่าวการฟ้องร้องหมอมากขึ้นมันก็มีหลายเหตุปัจจัยนะ ซึ่งก็น่าพิจารณาข้อแรกคือคนไข้มากขึ้นคนไข้มากขึ้นแต่หมอเท่าเดิมนะก็เหนื่อยก็เครียดก็อาจจ ะ, ะทำงานผิดพลาดแค่วินิจฉัยโรคเดี๋ยวนี้ก็เฉลีย่ยแล้วก็มีเวลาวินิจฉัยโรค ก, กันแค่สี่ห้านาทีเท่านั้นแหละ โรงพยาบาลรัดนะคนไข้นอกเนี่ยมาให้หมอวินิจฉัยเนี่ยสีห้านาที น, ะนั่นะเฉลี่ยแล้วเพราะว่าคนไข้นี่เป็นร้อยสองร้อยอะไรี่สลัแต่ละคนนะถ้ารวมหมอทั้งหมดถ้าโรงพขาบาทั้งหมดก็เป็นพันนะคนไข้นอกสองสามพันคนก็มีเฉลี่ยหมอก็ต้องรับดูแลแบบคนละร้อยคนละร้อยไปหมอเยอะขึ้น แย่างดูการโรคแปลกๆ ก, ก็มีมากขึ้นแต่การโรคนี่มันไม่ค่อยซับซ้อนนะเรื่อจะมีแต่ว่าก็จํากัดอยู่คนจำนวนน้อยส่วนใหญ่ก็โรคติดเชื้อ <c oughs> การรักษาก็ ก, า ก, าก็ง่ายเดี๋ยวนี้ไม่แต่โรคติดเชื้อนี่การรักษาก็ยากแล้วเพราะว่ามันดื้อ ย, อยาแต่วันโร่ก็ดี หรือแม้แต่ปอดบ ว, วมที่มันดื้อยามากขึ้นปฏิชีวนกระแสเรือดนี้ถึงตายได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันอยาปฏิชีวนะที่มีมันก็ไม่สามารถจะรักษาไม่สามารถกําจัดเชื้อได้แนละเชื้อมันดือ้อเรียกซปเปอร์บักนะซูปเปอร์บักคือบักไปว่าเชื้อโรคเป็นซูปเปอร์เลย แต่โดยกันในโลกที่มันเป็นโรคของความเสื่อมชนมะเร็งโรคโรคหัวใจเบาหวานพวกนี้เป็นโรคที่เราสายยากยากกว่าโรคติดเชื้อเยอะแล้วก็โรค แ, แปลกๆที่ไม่เคยได้เจอมีเยอะแยะ โรคเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคนไข้อาจจะหนึ่งในแสนนะแต่ว่าเรวนี้พอเรามีความรู้มากขึ้นเราก็รู้มาเป็นโลกแต่ก่อนไม่รู้มเป็นโลกอะไรพอรู้เป็นโลกแล้วปรากฏว่าหมอรักษาไม่ได้หรือว่าหมอรักษาผิดนะ ก็เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ว่าปัญหานั้นก็คงไม่ทำให้คนไข้ฟ้องร้องถ้าเกิดว่าคนไข้ก็ไม่มีความคาดหวังสูงเดี๋ยวนี้หมอคนไข้อยู่เอาคาดหวังคนกับหมอสูงมากก็คือเชื่อว่าป่วยแล้วต้องหายไอ้ความคาดหวังนี้ก็เกิดขึ้นจาก การที่หมอหรือโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีมากขึ้นก็ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยโรคหัวใจเป็นแล้วก็ตายแเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนหัวใจได้เปลี่ยนตับเปลี่ยนไตไดนะ้ไม่แต่เปลี่ยนหัวยังได้เลยนะมันมีความเชื่ออีกไม่นานจะเปลี่ยนหัวได้เขาเริ่มทํากันแล้วเปลี่ยนหัวให้กับให้กับให้กั บ, ใ ห, กบให้กับลิงนะ ลิงก็ยังอยู่ได้นะแต่ว่ามันมันอยู่แบบผักนะสมองมันใช้การไม่ได้ก็อยู่ได้สักพักหนึ่งนละวเจ็บแบบนั้นก็ตายแต่เขาเชื่อว่าในสิบปีข้างหน้านี่คนนี่ก็จะเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวนี่หมายความว่า คนไข้ที่เขาร่างกายเขาเป็นอมพึ่งอมตะพาดแต่หัวนี่ยังสมองยังปกติต่อไปก็เอาหัวนั้นม า, มาใส่ก็ถอดหัวนั้นมาใส่ไว้ในในร่างคนไข้ที่กำลังจะตายระยะสุดท้ายคนไข้ระยสุดท้ายนี่กำลังจะตายนี่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าสามารถจะอุทิศร่างให้ ตัวทิตร่างให้ร่างกายก็ยังทำงานได้ก็เอาหัวมาเสียบแทน น, นนี่มันมีข่าวแบบนี้คนก็มีความคาดหวังคาดหวังในในตัวหมอมากขึ้นอันนี้พออีกส่วนหนึ่งคนยอมรับความตายได้น้อยลงนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของหมอหรืออะไรหรอกมันเป็น มันเป็นวัฒนธรรมคนสมัยนี้ยอมรับความตายได้น้อยลงเพราะไม่เคยได้คิดถึงความตายเท่าไหร่ในความหลงในในความสุขหลงในชีวิตมันทำให้ยอมรับความตายได้ได้น้อยก็มีความคลาดหงกับหมอสูงงั้นเกิดคนไข้ตายขึ้นมาหรือคนไข้เกิดพิ ก, การขึ้นมา ก็โกรธนะไม่พอใจก็ฟ้องหมอยิ่งหมอนะมีปฏิสัมพันธ์ไม่ดีกับคนไข่อาจจะไม่ค่อยให้เวลาพูดจาไม่ไม่พูดจา ไ, ไ, ไม่ดีหวนหวน ซึ่งอันนี้เนี่ยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าทำงานเครียดทำงานเยอะก็เลยพูดจะห้วนๆอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีจิตวิญาอันนี้มันก็เป็นเรื่องการเรียนการสอนของหมอด้วยหมอนี่ตัวม้านนี่ไอคิสูงนะแต่อีคิต่ำไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจเาขาออกคนไข้ถ้มีหมอคนนึงเนี่ย ตรวคนไข้เป็นมะเร็งยาแกก็มาละ ม, ม, ม, มาเมาเผยผลมาบอกผลการวินิจฉัยว่าเนี่ยคุณเป็นมะเร็งแน่นอนนะผลตรวจเลือดชัวอย่างนี้อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหรอ ก, นกนเนี่ยพูดแบบนี้ยมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติคุณเป็นมะเร็งแน่นอนผลตรวจเลือดเนี่ยผลเลือดอย่างนี้มันชัว ไม่ได้มีความให้เห็นใจเลยเลยจากน้ำเสียงเพราะว่าพูดอย่างนี้มาเป็นเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะในอเมริกานี่หมอที่ต้องบอกโรคคนไข้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นครั้งมันพูดจนชินลยนะเจ้าคงแค่พระเรานะเวลาเราเจอคนตายมาเยอะเวลาคนก็สูญเสียลูกเสียนสวยพ่อแม่ แล้วก็พูดไปอย่างเฉยเมยว่าความตายมันธรรมดานะคนเราเนี่ยก็ต้องตายการพูดแบบนี้บางทีมันพูดแบบพูดแบบไม่ไม่ค่อยมีความรู้สึกเห็นเห็นใจเท่าไหร่เพราะว่าเจอคนตายมาเยอะ คือบาี่บอกเออกรรมใครกรรมมันไอ้ที่พูดจะจริงนะแต่ว่าไอ้น้ำเสียงมันไม่มีความเห็นใจหรือความเข้าใจเพราะว่าชินชาซะและ้วนะหมอก็เป็นอย่างนี้เยอะนะชินชาการบอกข่าวร้ายเลยไม่ได้รู้สึกอะไรจะมารู้สึกทีก็ตอนที่ตัว่องเป็นนั่นแหละหรือตอนที่ คนรักของตัวเองเป็นเนี่ยถึงกลุ่มอกกลุ่มใจอันนี้มันก็เป็นที่รู้กันนะหมอเนี่ยหมอหมอหัวใจพอตัวเองเป็นโรคหัวใจนี่โอ้ยทําใจไม่ได้หมอมะเร็งพอตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยก็มึนนะมึนมึอนอยู่พักใจเลยถึงตอนแรกก็จะเข้าใจความรู้สึก ข, ของคนไข้อันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะ แต่ว่าเหตุปัจจัยก็ยิ่งแย่ไปหมดเนี่ยรวมๆกันรวมทั้งการที่คนบางคนก็หาช่องหาช่องจะฟ้องหมอเพราะถูกลูกยุก็มีชาวบ้านบางคนก็โดนลูกยุ่งนะบางทีเมียตายเพราะเมียตายในระหว่างคลอดเพราะว่ามันมีมีโรคแทรกจับพลั น, นแล้วกัวนี่ก็ทีแรกก็ ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรหมอแต่พอมีคนมายุ่เข้านะว่ามีโอกาสที่จะได้เงินล้านฟ้องแพงฟ้องแพงก็เอานะยันก็มีมีเว็บไซต์นะโฆษณาเลยนะเว็บไซต์ของทนายของทนายความพร้อมจะว่าความให้ กับคนไข้หรือญาติเพื่อฟ้องร้องหมอเรียกค่าชดเชยก็แบ่งเปอร์เซนต์กันอันนี้ก็มีขึ้นแล้วในเมืองไทยนะเพียะธรรยาความที่หาโอกาสแบบนี้อันนี้ก็ก็คือเหตุคนสำคัญที่ทำให้หมอหลายคนท้อ เมื่อวานนี้ก็มีหมอจึงมาเล่าให้ฟังว่าลูกสาว น, นี่ก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลอำเภอเพิ่งอยู่ได้ไม่กี่ปีนะพตอนหลังก็ท้อก็จะเลิกแล้วจะลาออกจากเป็นหมอโรงพยาบาลอำเภอจะไปจะไปหมอคลินิกแทนนะได้เงินเดือนเดือนละสองแสน แ, แถมอยู่ห้องแอร์ทั้งวัน่เป็นหมอโรงพยาบาลอำเภอนี่คนไข้เพียบเสียงก็เสียงถูกฟ้องแล้วก็แถมก็ร้อนอากาศก็ร้อนอยิ่งหน้านี่นี่ร้อนมากร้องผมร้องห้นะจะบอกพ่อบอกแม่จะออกพ่อก็เป็นหมอนะพ่อแม่ พูดยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจตอนหลังแนะนำให้ลองไปนั่งสมาธิดูไปเจริญสติไปทำกรรมฐานไปสิบวันนะออกจากกรรมฐานก็บอกพ่อแม่ว่าเปลี่ยนใจแล้วจะอยู่ต่อพ่อแม่ก็ดีใจพอรู้ว่าสิ่งที่รูระเผชิญนี่มันก็เป็นมันก็เป็น เป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นหมออันนี้ก็น่าคิดนะคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยการตัดสินใจของคนเรามันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ซะเยอะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเหตุผลอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นเรื่องข้อเท็จริงอย่างเดียวอย่างลูกสาวอย่างหมอเนี่ยหมอรุ่นใหม่คนนี้แล้วก็มีความเครียดความเครียดความวิตก พอมีความเครียดหัวใจตกก็รู้สึกลบกับคนไข้เนะี่ยจะบอกนะมุดมีคนไข้มากไม่พอใจคนไข้ลึกๆของในใจของเจ้าสาวคนไข้มันเรียกร้องมาแล้วเกิดแลมันมีคนไข้งี่เง่าก็เลยอยากจะไม่อยากอยู่แล้วแต่พอมามาเข้ากรรมาฐานนะมาเจริญสติออกมาก็ความคิดก็เปลี่ยนนะ ความรู้สึกมากกว่านะรู้สึกเห็นใจคนไข้สงสารคนไข้นะก่อนเข้ากรรมฐ า, านนี่หงุดหงิดลำคาญไม่ชอบคนไข้นะพอออกจากกรรมฐ า, านก็ความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นความสงสารความเห็นใจข้อมูลก็ชุดเดิมนะหมายถึงความรับรู้เกี่ยวคนไข้ก็เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเพราะว่าได้เห็นมุมมองใหม่ใหไอ้ตอนที่หงุดหงิดนะเครียดเนี่ยมันก็เห็นแต่ด้านลบคนเรานะเวลามีความเครียดหงุดหงิดหรือเกิดโทสะขึ้นมานะมันเห็นแต่ด้านลบจิตมันจ้องจับแต่ด้านลบของคนอื่นนะเช่นถ้าเป็นหมอนี่ก็จ้องจับเห็นแต่ด้านลบของคนไข้ มันก็เลยเกิดความลังเกียดเกิดความโกรธ ถ, ถ้าพอมีอารมณ์โกรธนะการตัดสินใจมันก็จะตัดสินใจแบบนี้ก็คือว่าไม่เอาละจะลาออกแล้วแต่พอมาทำใจให้สงบนะมาเจริญสติทาสมาธิใจมาสงบเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ย ความสงบก็เป็นความสุขนะที่คนบางคนก็สัมผัสได้ยากโดยเพราะทำงานมากพอได้สัมผัสแล้วเนี่ยนะติตใจมนก็อ่อนโยนการที่จะมองมองปัญหามองอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปมุมมองก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนมองเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ด้านลบพอใจมีความสุขใจสงบก็เริ่มมองเห็นด้านอีกด้านหนึ่ง เห็นด้านบวกทำให้เกิดความสงสารขึ้นมาสงสารคนไข้พอความสงสารคนไข้เกิดขึ้นไอ้ความคิดที่จะลาออกก็หมดไปเลยเกิดกำลังใจที่จะสู้มานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าคนเรานี่ถ้าตัดสินใจถ้าตัดสินใจ ในขณะที่เครียดในขาะที่มีอารมณ์หงุดหงิดมีความเศร้าโศกเสียใจมีความโกรธเนี่ยนมันก็จะนําไปสู่ผลสรุปหรือข้อตัดสินใจที่ผิดพลาดได้คนเราไมไ่ตัดสินใจด้วยเหตุผลด้วยข้อมูลอย่างเดียวนะมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวครองด้วยถ้าไม่ดูใจจริงก็ไม่ตันหนัก อย้างมีบางคนเนี่ยนะมาบวชนะบวชเสร็จแล้วก็มามาเจริญสติทำสมาธิเกิดความสุขไอ้เพียงแค่ได้ได้ได้มาใช้ชีวิตการบวชอย่างพระเนี่ยมันก็สงบแล้วนะพอได้มาเจริญสติทำสมาธิเอาใจสงบมากเกิดความเกิดปิติ ก็ตัดสินใจเลยนะว่าจะบวชตลอดชีวิตไหมครูบาอาจารย์เนี่ยก็มักจะห้ามก็จะเตือนนะว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจอย่างนั้นให้ดูไปก่อนถ้าครูบาอาจารย์หลยท่านนี่ถ้ามีโยเวล า, า, า, ามีโยมาถามว่าจะบวชตลอดชีวิตไหมจะบวชจนตายไหมท่านก็จะมักจะพูดแบบเป็นกลางๆว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย ไม่ใช่เพราะว่าอยากสึกแต่ว่าไอ้ตอนเนี้ยนะไม่ได้อยากสึกหรอกแต่ว่าอนาคตมันก็ไม่แน่มีเหตุปัจจัยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่บางทีเจ็บป่วยขึ้นมามันก็ต้องอาจต้องสึกหาราบเทศไปเพื่อจะได้เป็นฐานลากับทางวัดอันนี้พระหนุ่มเนี่ยพอพอบวชแล้วแล้วก็เกิดความสงบ เกิดปิติจากการปฏิบัตินะก็ประกาศเลยนะจะบวชตลอดชีวิตใหนะ้แบบนี้นี่ผิดหวังม า, มากแล้วนะบางทีไม่ถึงปีก็สึกนะเพราะว่าตอนที่พูดเนี่ยมันไม่ได้พูดด้วยเหตุผลอย่างเดียวมันพูดด้วยอารมณ์ด้วยใจเป็นอารมณ์ายบวกนะคือความสุขตัวม่ก็เวลาชอบพอกันนะผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายก็ หลายคนเนี่ยแทบ mm hmm. จะร้อยตรงร้อก็บอกเนี่ยจะอยู่กันช่วยชีวิตจะอยู่กันไปจนตา ย, ยไอ้ที่พูดเนี่มันพูดโดยอารมณม์นไม่ใช่พูดโดยเหตุผลล้ว น, ว น, นมีอารมณ์เนี่ยคือตอนนั้นมีความสุขมีความปราบปื้มมีความอพึงพอใจแต่พออยู่ไปหยู่ไปไอ้ความสุขความพึงพอใจความปราโมดปิติมันก็ลดลงลดลงลดลงเพล่เพลมีความรู้สึกลบมาแทนที่ ตอนนี้แหละจะศึกจะจ ะ, จะยาท่าเดียวกูจะอย่าให้ได้จะยาให้ได้ผู้อยากก็ต้องมาเตือนว่าอย่าพึ่งตัดสินใจเพราะการตัดสินใจเนี่ยมันในกรณีมันมีนมอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะบางทีพอเรามาสงบสง บ, สงบใจก็เปลี่ยนะพระหนุ่มกนนันนะบอกว่าจะบวชตวลอดชีดวิตไปบวชไปบวชไปไอความสุขจากสมาธิก็จืดจางลง หรือว่าอาจจะไม่จืดจางแต่ว่ารู้สึกเฉยชาหรือบางทีหนักกว่ น, นั้นคือว่าสมาธิลดลงนะความปิตนะิเจอจางลงมีเรื่องหงุดหงิดมาแทนที่อาจจะมีความผิดหวังในครูบาอาจารย์ผิดหวังในวัดในสถานที่หรือมีเรื่องกระทบกระทั่งกับเพื่อนพระด้วยกัน อาครานี้แหละจะสึกท่าเดียวยซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าไอตอนตัดสินใจจะบวชตวลอดชีวิตนี่ก็มันตัดสินใจด้วยอารมณ์ไอพอจะสึกก็มักจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เหมือนกันเอาอารมณ์เป็นใหญ่อยู่บวชได้ไม่ถึงปีก็สึกไนะอ น, นี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปทำนองเดีวยวกันเนี่ยหมอ ตอนที่เราจะลาอ่อนเนี่ยมันก็ใช้อารมณ์แต่ว่าพอมาปฏิบัติอารมณ์มาสงบลงก็มีการยั้งคิดการทบทวนการใครควรรอบด้านมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็เห็นด้านบวกด้านดีขะเดียวกันในความความสุขมันก็เป็นกุศลธรรมนะ คามสงบก็เป็นกุศกลธรรมก็เอื้อให้เกิดกุศกลธรรมตัวอื่นเกิดขึ้นเช่นความเมตตากรุณาพอ ม, มีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นก็เกิดความสงสารคนไข้ามาแทนการตัดสินใจก็เปลี่ยนไปอันนี้จะว่าเป็นอ น, นิสงส์การการเจริญสติสมาธิก็ได้คือพอใจสงบแล้วเนี่ยนะ การที่จะใช้สติใช้ปัญญาใคร่ครวนมันก็เป็นไปได้มากขึ้นและขณะเดียวกันก็เกิดกุศลธรรมตัวอื่นที่คอยม น, นุนให้การตัดสินใจนะั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตัวเองเท่านั้นพอคนเราเครียดเวลาเครียดเราเงียบเงียบมันมันความกระตุ้นมันเกิดขึ้นมานะแต่พอเรามีความสุขความสบาย ความเย็นใจเนี่ยมันก็นึกถึงคนอื่นมากขึ้น เ, เวล า, เาส่วนเราเรานั่งเราแผแ่เมตตาเนี่ยมันจะแผแ่เมตตาได้ดีนะเพราะว่าใจเราเป็นใจสงบใจเราเริ่มจะนิ่งแต่ถ้าเราแล้วถ้าทําทำบ่อยเนี่ยนะไอ้เมตตากรุณ า, าก็มันก็มาช่วยทําให้ใจสงบได้นะทีแรกสงบจึงเกิดเมตตาตอนหลังๆเนี่ยความเมตตาทําให้เกิดสงบ ได้เร็วขึ้นโมโหโกรธาฉุนเฉียวแต่ เ, เมตตากรุณาที่เราสะสมไว้ในใจเนี่ยพอสะสมได้ที่เนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับน้ำเย็นนี่มันดับไฟดับไฟร้อนในใจได้ เรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องการที่คนเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามโดยเฉาเรื่องสำคัญกำลังชีวิตเนี่ ย, ยควรพยายามตัดสินใจในภาะวะที่ใจเป็นปกติอย่าตัดสินใจในขณะที่กำลังร้อนกำลังโกรธมันมันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมา นักตอนนักแล้วดันวาจานะคะที่โกรธว่ากูออกแล้วกูไม่อยู่แล้วยาดีกว่าต่างต่างเนี้ยอันนี้มันสร้างปัญหาภายหลังมากมายเวลาเศร้าโศกเสียใจก็ดีโกรธก็ดนะีอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นนะ ก็แค่บนระบายไปก่อนหรือว่าดูแจางตัวเองไปพอจาสงบแล้วก็ค่อยมาพิจารณาเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้นี่ท่าจะว่าไปแล้วนี่มันมันไม่ใช่แค่รู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์นะเฉพาะในวงการหมอวงการแพทย์เท่านั้นดี๋ยวนี้จะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็มักจะมีเรื่องบนทั้งนั้นแหละ ครูก็บอกว่าอยู่ยากสอนยากเด็กมันกวนเด็กซนเด็กเกเรมากขึ้นงานพารักงานก็มากขึ้นเดีย๋ยวว่าเลยขับรถนี่ก็ยังยากขึ้นเลยนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนขับรถนี่ไปไหนมาไหนสบายเดี๋ยวนี้รถติดเป็นแพร้ย้ายีหมดัางทีรถนี่ก็นั่งเดิน สบายกาแต่ก่อนรถก็นุ่มกว่าแต่ก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแอร์ก็เย็นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าคนก็บ่นกันทีนี้บ่นกันทุกทุกมีเรื่องที่ต้องบ่นกันได้ทุกอาชีพแม้แม้กระทั่ทงพระนะพระนี่ก็ถ้าจะว่ามันก็อยู่ยากขึ้นนะเพราะว่าสิ่ง ย, ยั่วยุ แล้วก็เย้าโยนเนี่ยมันมากขึ้นมีอะไรต่ออะไรดึงออกไปดึงเวลาของพระจากการปฏิบัติก็บ้าขึ้นอันนี้ก็น่าแปลกนะเพราะทั้งที่เราอยู่ในยุคที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นมีสิ่งช่วยทุนเวลาทุนแรงได้เยอะ แต่ผู้คนก็ด้วยแล้วแต่บ่นกันว่าอยู่ยากอยู่ยากทุกอาชีพนักธุรกิจทั้งที่ร่ำรวยก็บ่นว่าขายของยากเศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมองเฉพาะจุดเฉพาะด้านไม่ได้มองอีกด้านที่มันมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งนะอีกสาเหตุหนึ่งก็มันก็เป็นจริงๆนะก็คือพอสองคนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอความสะดสบายมากขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมารถยนต์เนี่ยมันทำให้เราเดินทางได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้นแต่พอทุกคนเฮโลมาใช้รถเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือรถติดในความสะวสบายนีนย่มันก็ดึงดูดให้คนผู้คนนะ เฮโลไปในทางเดียวกันสุดท้ายมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นไปนั่นในแง่หนึ่งความสะดสบายก็คือตัวสายหึงปัญหาด้วยถ้าขับรถไม่สบายเนี่ยคนก็ไม่เฮโลมาขับรถมาซื้อรถกันต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะบางคนก็เลิกแล้วเลิกใช้รถขี่จักรยานดีกว่าก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเพอขี่จักรยาสบายใจ คือถ้าตามกระแสเนี่ยในสุดริ้มก็ไปเจอทางตันเจอความยากลำบากมันต้องออกจากกระแสแล้วหมอนี่ถ้าไม่ได้คิดที่จะไปไปเอาดีในทางอาชีพการงานหรือทางสถานภาพหรือเงินทองก็อยู่ได้มีความสุขพอสมควรนะถึงแม้ว่าภาระงานจะมากขึ้นไม่รวมการปรับตัวด้วยถ้าไม่ปรับตัวไม่ปรับใจก็ ก็จะมีแต่ความทุกข์เอาละชาวนูกนตอนนี้